ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบวญยนสัมปันโนเสนอตอนที่35กรรมฐานยุคห้วยสายโปรดแม่ฉีแก้วและุดงจังหวัดจันทบุรี หลวงตามหาบัญยนสัมปันโนได้ให้อวาตธรรมเอาไว้ว่าธรรมชาตินี้เป็นโลกอนิจจังไม่มีสิ่งใดที่ไว้ใจได้ตายใจได้พึ่งเป็นพึ่งตายได้เหมือนธรรมเหมือนบุญเหมือนกุศลเพราะฉะนั้นเราจึงให้ได้ทั้งสองอย่างโลกภายนอกเราก็ไม่ประมาทเมื่ออยู่ในโลกนี้ต้องสร้างอยู่สร้างกินให้วิ่งต้นขวานขวายโลกภายในคือจิตใจของเรา ก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มได้แจกบุญแจกกุศลอย่าได้ลืมอาหารทั้งสองประเภทนี้คืออาหารเป็นเครื่องดื่มของใจเป็นเครื่องทรงของใจเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องพยุงใจได้แจกบุญกุศลอย่าลืมทำทำไปเรื่อยๆข้างนอกได้แจร่างกายของเราได้อาศัยอะไรเราก็วิ่งเต้นขวัญขวายให้ได้อาศัยทั้งสองอย่างนี้ให้ได้พยายามมีความดีสม่าเสมอกัน ไม่ประมาททางใดทางหนึ่งเราอยู่ในโลกนี้ก็ยังรื่นเริงบันเทิงเราไปโลกหน้าเราก็เป็นสุขสบายหลุงตามหาบัวยันนสัมปันโนรือ เ, เล่าชี้ว่าประวัติของท่านในพรรษาที่ 18-21 ปถึงีปีพุทธศักราช2494ถึง2497 ในขณะที่องค์ท่านจำพรรษาที่วัดห้วยทรายอําเภอคำาชอีจังหวัดพุกดาหารเอาไว้ว่าเราออกจากหนองผือแล้วเราก็ไปห้วยทรายอําเภอคำาชอีจังหวัดพุกดาหารหมู่เพื่อนก็ติดตามไปด้วยตั้งมากมายไปอยู่ที่นั่นถึงสี่ปีพระเนนก็มากอยู่อย่างนั้นหละอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยเหมือนกันสานักเราจริงๆอยู่ประมาณสิบกว่าองค์ไม่มากนักข้อความบทนี้ ได้บันทึกจากหนังสือลุงปุสีมหาวีโรพระผู้มากล้นด้วยบุญบา ร, รมีตอนหนึ่งว่าท่านอาจารย์มหาบัวท่านอยู่ในวนัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงปราดประยวทำความเพียรเป็นดับอย่างในทุกอิริยาบถเป็นที่พึ่งอันมั่นคงของพระเองเหมือนอย่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นสังลาก่อนปีที่องค์ท่านจะนิพพานว่าเมื่อเราตายให้หมู่เพื่อนพึ่งพระมหาบัว ท่านเพียนมวดกวดขันกับพระเนมที่ไปปฏิบัติกับท่านมากยามค่ําคืนท่านจะเดินตรวจพระเนมในวัดโดยไม่ใช้ไฟฉายตรวจดูว่ารูปไหนทําความเพียรเจริญสมาธิภาวนารูปไหนไม่ทําความเพียรแผดเผ า, เากิเลสถ้ามองเห็นจุดไฟอยู่ท่านจะไม่เดินเข้าไปถ้ารูปใดดับไฟท่านจะเดินเข้าไปใต้ถุนกุฏิเงียบๆแล้วฟังเสียงว่านอนหรือว่าปฏิบัติสมาธิภาวนาเพราะถ้านอนหลับ เสียงหายใจจะดังแรงแผ่วออกมาเพราะบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบสงัดในสมัยนั้นสมถะสันโดดมากกระโถนใช้กระบอกไม้ไผ่เสนาสน ก, กุติกั้นด้วยใบตองและฟางแม่กุฏิท่านพระอาจารย์มหาบัวเองก็ยังเป็นฟากมุงด้วยหญ้าคาประตูหน้าต่างทำเป็นงวงฝาแถบตองผลักไปมาหรือเวิร์กออกแล้วก็ค้ำเอาข้อปฏิบัติที่องค์ข้าแม่กุจารหลวงตามหาบัวยนสปโน ถือคร่งคัดในยุคนั้นคือปฏิบัติอย่างหยาบๆห้ามนอนก่อนสี่ทุ่มถ้าใครนอนก่อนสี่ทุ่มต้องตื่นขึ้นมาทำความเพียรก่อนตีสีถ้าผิดจากนี้ได้ตักเตือนถึงสามครั้งถ้าทำไม่ได้ท่านจะไล่หนีจากวัดในทันทีรักรรมาฐานยุคห้วยทายโดยท่านอาจารย์มหาบัวเป็นผู้นำปฏิปทาถอดแบบมาจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตยุคหนองผือทุกอย่างท่านตีและเขียนพระเนนโดยไม่เห็นใจหน้า ภาคเพียรเป็นอย่างมากวันคืนที่ผ่านไปล้วนแต่ประกอบกิตตภาวนาในอริยบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนประกอบความภาคเพียรด้วยสตยิปัญญาตลอดมองไปทางด้านใดเห็นแต่พระเนรต่างเร่งความเพียรเหมือนว่าจะสิ้นกิเลสกันไปในวันนี้หมดทุกคนกิริยาแห่งความขี้เกียจขี้คร้านไม่มีให้เห็นทุกรูปทุกนามต่างก็เร่งความเพียรเหมือนจะสิ้นกิเลสในวันนี้หรือพรุ่งนี้ หรืออาหารการขบฉันชาวบ้านเขามีอะไรเขาก็ถวายตามมีตามเกิดอย่างเช่นกบเขียดเพียงตัวเดียวแบ่งใส่บาตพระเนนได้ถึงสีรูปเมื่อเขือลูกเดียวเขาจะแบ่งใส่บาตพระเนนได้ถึงสีรูปในยามแห้งแลง้งน้ําในบ่อ ก, ก็เหือดแห้งต้องเดินไปตักถึงสากิโลเมตรน้ำปานน่านาก็ได้อาศัยเกนไม้รากไม้ตามธรรมชาติให้เนนนามาต้มให้ฉัน นานๆทีจะมีน้ำอ้อยสักก้อนหนึ่งเหลืองตามหาบูญยาสัมปันโนเล่าชีว่าประวัติของท่านและประวัติในตอนนี้ที่ถูกบันทึกจากหนังสือพระทุตังคเจ ด, ดีเจดีแห่งพระอรหันต์ได้บันทึกเอาไว้ว่าในปีพุทธศักราช2493คุณแม่ชีแจ้วเสียงล้ํา นั่งภาวนาได้เกิดในมิตเห็นว่ามีเดือนตกลงมาที่วัดป่าบ้านห้อยทรายจากนั้นดวงดาวที่ล้อมรอบก็ตกลงมาด้วยคุณแม่ชีก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีครูบาอาจารย์องค์สําคัญและพระสงฆ์ไม่ต่างกว่าสิบรูปมาที่บ้านห้อยทรายต่อมาไม่นานหลวงตามหาบุวยันสัมปันโนก็ได้เดินทุดงนําพระทุดงได้แจกหลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่เพียนหลวงปู่บุญเพงเป็นต้น ก็ได้เดินทางมาที่วัดบ้านห้วยสายจริงๆดังที่แม่ชีแจ้วมีมิตรเอาไว้ทำให้ท่านเกิดความติติยินดีเป็นอย่างมากเพราะจะได้พบอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนท่านดังที่หลวงปู่มั่นได้บอกเอาไว้ในเวลานั้นรับเรียกว่าเป็นมงคลการอีกสมัยหนึ่งของชาวบ้านห้วยสายลืมตามหาบัวยนัสสัมปนโนสามารถสอนและสยบจิตและพลิกจิตคุณแม่ชีแจ้ว ได้ที่ถ้ำนกแอนหัวเขาบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารในบทธรรมที่ว่าห้ามทรงกิจออกรูกข้างนอกให้ย้อนติดเข้ามาพิจารณาข้างในตอนแรกคุณแม่ไม่ยอมทําตามลงตาก็เลยแต่เพิดลงจากภูเขาทุกครั้งในที่สุดคุณแม่ได้คิดว่าเราเคารพและถือท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วทำไมเราจะไม่เชื่อท่านนั่นแสดงว่าเราใช้ไม่ได้ จากนั้นต่อมาคุณแม่ชีเจ้วได้ทําความเพียรภาวนาอย่างหนักไม่ยอมส่งกระแสจิตออกรู้ข้างนอกเดินจงกรมตลอดคืนจนรู้สึกเหนื่อยจึงได้นั่งพักที่แคร่ใต้ต้นพยอมแล้วเอ็นตัวลงนอนคิดว่าจะขอพักสักครู่แล้วจึงจะออกไปนึ่งข้าวก็รู้สึกว่ามีเสียงครืนๆเหมือนฟ้าผ่าแคร่ที่นอนอยู่หักลงและมีเสียงผุดขึ้นมาว่าชีนาชาติสิ้นชาติแล้ว คุณแม่ฉีแจ้วน้ำตาไหลาพรากด้วยความตื้นตันใจถึงคราวประหารกิเลสในวันศุกร์แรมห้าค่ําเดือนสิบ็ดตรงกับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปียิศกราสองพก้าสิบหขณะนั้นคุณแม่ชีแจ้วมีอายุได้ห1ดปีในเรื่องนี้พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญณสัชปนโญนได้เล่าไว้หลายครั้งหลายหนว่าผู้เท่าแม่แจ้วอัติกลายเป็นพระทานแล้วผู้เท่านี้ ถ้าพูดตำหลักความจริงก็ผ่านซิ่งกิเลนมาหลายปีแล้วถ้าจะไม่ผิดเราว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495โน่นนานมาเท่าไหร่แล้วหลวงตามหาบัวยณสัมปันโนหรือเล่าชี้วประวัติของท่านในขณะที่ไปทุดงจังหวัดจันทบุรีเอาไว้ว่า เราขโมยนี้จากหมูเพื่อนจากห้วยซายมุกดาหารมายังจังหวัดจันทบุรีในปีพุทธศักราช2495มาหลบภาวนาอยู่ที่วัดปากคลองกุ้งเมื่อเรามาถึงแล้วก็บอกท่านพระจันทร์เฟื่องโชติโกว่าผมไม่ไปฉันที่ไหนๆเขา อ, อย่าให้ผมเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆส่วนเรื่องการนิมนต์ออกไปฉันที่นั่นที่นี่ตามงานต่างๆเข อ, อย่าให้ผมเกี่ยวข้องเลยผมมาพักผ่อนมาภาวนาสบายๆ ของผมต่างหากเล่าในตอนนั้นพระวัดป่าของกุ้งก็ไม่มากวัดยังเป็นป่าเป็นดงส่วนเรื่องการบิณฑบาตก็บิณฑบาตกับชาวสวนที่อยู่ในถิ่นแถวนั้นไม่ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองอาจารย์เฟื่องท่านก็พาเราไปบิณฑบาตตามบ้านตามสวนส่วนพวกพระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเรากับอาจารย์เฟื่องเคยอยู่ด้วยกันที่วัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครอาจารย์เกีย้ยกับเรา ก็เคยอยู่ด้วยกันที่วัดป่าบ้านโคกนามน์จังหวัดสุลนครจําพรรษาด้วยกันที่นั่นก็เลยคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่ร่วมสมัยหลวงปู่มั่นโน้นเพราะฉะนั้นเราถึงมาหลบซ่อนตัวอยู่ทางจังหวัดจันทบุรีนี้เพราะเราทราบแล้วว่าอาจารย์เจี๊ยจุนโดกับอาจารย์เฟื่องเทวติโกท่านอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี้เรากับท่านทั้งสองคุ้นกันมานานมากเราได้จากหมู่เพื่อนมาหลบอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนื่องจากหมู่เพื่อนรุม ตั้งแต่สมัยพ่อแม่กูจานมั่นมรณภาพลงรุมมากจึงกระชั่งไปไม่ได้ว่างั้นเถอะเราจึงนด้เกี่ยวกับมูกับเพื่อนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคือตั้งแต่ปีหลวงปู่มั่นมรณภาพาในปีพศ .2492 ถวายเพลิงท่านปีพุศราช .2493 เดือนกุมภาพันธ์มู่เพื่อนวิ่งตามเราไปไหนตามเกาะอยู่ตลอดเวลาพออยู่จนท บ, บุรีพอสมควรแล้ว เราจรึงย้อนกลับห้วยทรายจังหวัดมุกดาหารตามเดิม